ก็ความในเนติปกรณ์หน้า165อยานี้ยังพูดถึงวาสนาพาคยสยโส์พระสสตที่กล่าวถึงการบำเพ็ญบุญกุศลการบำเพ็ญบุญกุศลเหล่านี้เป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้ได้รับการตรัสรูต้ต่อไปในภายภาคหน้าตรงนี้ก็ยกยกย่องพระพุทธเจ้าว่าพระมุนีเจ้าก็คือผู้มีมรณธรรมทางกายวาจาและใจ พระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกนก็คือประเสริฐด้วยอรหันตะคุณเป็นตน้นพระองค์ผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกก็คือมีใจกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อบำบัดความทุกข์ของสัตว์พระองค์กำจัดตัณหาได้หมดสิน้นก็พุทธคุณน ะ, ะพุทธคุณทั่วๆไปโดยโย่อก็มีสามอย่างก็คือพระ บริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและก็พระมหากรุณาที่คุณตรงนี้ก็ยกถึงว่าพระมุนีเจ้าผู้เลิศในโลกอันนี้ก็พระปัญญาคุณอนุเคราะห์สัตว์โลกก็คือพระมหากรุณาที่คุณและก็กําจัดตัณหาได้หมดสิน้นก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณก็คือพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์นะผู้มีปัญญาผู้มีใจกรุณาต่อสรรพสัตว์พระองค์สดเสด็จเข้าไปสู่กรุงเมืองโกศลเพื่อบินธบัต นะเสิตเอ่อเสิร ด, ดอกไม้อันประดับด้วยดอกไม้ทั้งปวงในมือของบุรุษคนหนึ่งมีอยู่ mm. ก็คือเท่ากับว่าเป็นพวงดอกไม้นะเป็นกลุ่มดอกไม้บุรุษนั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์แวดล้อมผู้อันเทวดาและมนุษย์บูชาพระองค์ผู้เสด็จไปโดยหนทางเสด็จของพระราชาบุรุษคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็ร่าเริงยินดี ยังจิตให้เลื่อมใสเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสนะพระผู้ที่ถือรูปเป็นประมาณเห็นพระรูปของพระพุทธเจ้านี้ก็เลื่อมใสแล้วบุรุษนั้นผู้เลื่อมใสแล้วก็น้อมนะพวงดอกไม้ซึ่งมีกลิ่นหอมมีสีงดงามอันหน่าพึงพอใจเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยมือทั้งสองของตนแต่ ว, ว่าน้อมพวงดอกไม้พวงใหญ่ไปถวายนะ หลังจากนั้นรัศมีเป็นอันมากซึ่งมีสีเหมือนเปลเวไฟก็คือเปลรัศมีสีทองก็พุ่งออกจากระหว่างพระโอษของพระพุทธเจ้ารัศมีดุ ด, ด, ดสายฟ้าออกจากพระพักเกิพระพุทธเจ้านั้นถ้าพระองค์เยม้มหรือยิ้มยิ้มนิดหนึ่งเนี่ยนะเรียกว่าพุ่งพวยรัศมีก็พุ่งออกแล้วก็ประทักเิ่นวเวียนหายไป รัสมีนั้นกระทำประทักเสียงที่เรียกวนขวาสามรอบเหนือพระเสียนของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระอาทิตย์แล้วอันตรธานไปบนพระเสียงนั่นเองพระนลได้เห็นสิ่งอัศจรรย์นี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนเป็นเหตุให้ขนชูชันจึงหมจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบทูลด้วยความว่าข้าแต่พระมหาโมนีอะไรเป็นเหตุแห่งการเย้มของพระองค์ ขอพระองค์จงทรงพยากรณ์แสงสว่างคือธรรมจักมีข้าแต่พระมุนีขอพระองค์จงทรงขจักความสงสัยของข้าพระองค์นะสงสัยเอ้พระองค์ยิ้มทําไมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มียานแผ่ไปในธรรมทั้งปวงทุกเมื่อนะก็คือแย่แผ่ไปเนี่ยนะพระยานของพระองค์เนี่ยแผ่ไปยังรู้อดีตรู้อนาคตรู้สังขตะอสังขตะโดยไม่มีส่วนเหลือ พระองค์ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กับท่านพระนนเทระผู้มนะีผู้มีข้อข้องใจสงสัยว่าดูกอ น, นะนอนนโบรที่ยังจิตให้เลื่อมใสในเราไม่ไปสู่ทุกคติเป็นเวลานานถึง84กับพรงพยากรณ์ว่า84กับข้างหน้าต่อไปชายคนนี้ไม่ไปสู่ทุกคติก็คือนะรกเปรตอสุรกายและเดรชาตลอด84กับเนี่ยนะด้วยจิตที่เลื่อมใสใน พระพุทธเจ้าเขาได้เสวยเทวราชสมบัติที่มีความงดงามในหมู่เทพแล้วจักได้เป็นพระราชาปกครองมนุษย์ดํารงอยู่ในแคว้นอ่าเรียกว่าดำรงอยู่ในแว่นแควนในหมู่มนุษย์ก็คือเป็นพระเจ้าประเทศสราชเป็นพระราชาผู้ปกครองมนุษย์ในชาติสุดท้ายเขาจักบวชแล้วทํำสัจธรรมสีประการให้แจ้งเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่า วตังสกะกรรมจัตราคะกิเลสหมดสิ้นก็แปลว่าอีกแปดสิบสี่กับเขาจะได้เป็นพระปเจกับผูทธเจ้าก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าชายคนนี้บุรุษคนนี้ทําบุญมาแล้วสองอสงไขเศษเนี่ยนะสองอสงไขหลายหลายกับแล้วละหลายแสนกลับแล้วเพราะว่าบอกว่าพระปเจกกับพูทธเจ้าเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีไม่เกินอสงไขที่สามหมายว่าไม่เกินสามอสงไขจะได้ บรรลุเพราะนั้นเขาเป็นผู้สั่งสมบุญมาแล้วอย่างน้อยสองอสสงไข่เพราะเขาเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็เลื่อมใสบูชาถวายพระพุทธเจ้าเขาคงมีความฉลาดทางสติปัญญามากเขาตกแต่งกุศลจิตได้เป็นอย่างดีเพราะความที่เขาเป็นผู้มีบุญเก่าอันสั่งสมมาดีแล้วก็ปลูกฝังบุญอันใหม่ลงในพระพุทธเจ้าสั่งสมบุญอันใหม่พ่อภูม พ, พระองค์ก็พยากรณ์ว่าอีก8ปดกับเขาจะทําสัจจะทำทั้ง4ประการให้แจ้ง เขาจะ ก, กําหนดรู้ทุกที่ควรกําหนดรู้ด้วยปริญญาสามเขาจกละสมุทัยที่ควรละด้วยประหารห้าเขาจะทําให้แจ้งพระนิพพานที่ควรทําให้แจ้งเขาจะเจริญอริยมรรคทั้งหลายด้วยปัจเจกโพธิแปลว่าตรัสรู้โดยลําพังด้วยตัวเองสามารถกําจัดบาปอากุศลทําลายกองทุกทั้งหมดสิน้นเมื่อจิตเลื่อมใสในพระธถาคตเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าแล้ว ทักษิณาธานที่ชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีขอให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์บุญกุศลที่ทำลงไปอย่าคิดว่าน้อยนะนะก็อย่างที่ว่าถ้าเราเชื่อฟังคนเขาก็แบ่งคนเนี่ยนะแบ่งบรรดาคนคนระดับล่างนะนะเรียกว่ายาจกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเื่อยๆจนถึงเทวดาพรรมแล้วผู้ที่ประเสริฐที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพาะการเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า นะบุญกุศลที่ทำลงไปที่ชื่อว่าเล็กชื่อว่าน้อยไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้สาวกของพระองค์ก็เหมือนกันเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอริยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นพระพุทธคุณทั้งหลายอันใครใครคิดไม่ถึงหมายความว่าเป็นอจินไตยแปลว่าพระพุทธคุณทั้งหลายไม่มีใครคิดได้ ท, ทั่วทั่วรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใครใครคิดไม่ถึง หมายคําว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตยผลแห่งบุญที่ทํากับพระพุทธเจ้าคือวิบากอันใครๆก็คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะวิบากก็เป็นอจินไตยย่อมมีแก่ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธคุณอันใครใคไม่พึงคิดถึงด้วยประการชนี้หมายค่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ คุณธรรมของพระองค์ก็หาประมาณไม่ได้พันผลบุญที่เกิดจากการนับถือพระพุทธเจ้าคุณงามความดีที่เกิดจากการปลูกฝังลงในพระพุทธเจ้าผลแห่งบุญเหล่านั้นใครจะนับประมาณได้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเรากําหนดใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีใจเลื่อมใสด้วยใจของเราคือด้วยสัพพัญยุตยานอย่างนี้ว่า ถ้าบุคคลนี้สิ้นชีวิตลงในเวลานี้คือในเวลาที่จิตผ่องใสเขาจะได้ไปเกิดบนสวรรค์เหมือนบุคคลวางสิ่งของที่นํามาฉะนั้นหมายความว่าถ้าจิตผ่องใสใจไม่เศร้ามองด้วยราคะโทสะและโมห oh ะจิตที่เป็นกุศลมีพระพุทธคุณเป็นต้นเป็นอารมณ์เนี่ยนะเขาก็ประดิษฐานในสวรรค์เหมือนเอาของไปวางไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตของเขาผ่องใสเพราะจิตของเขาเลื่อมใส เพราะจิตเลื่อมใสสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เพราะกุศลจิตที่ผ่องใสใจที่เลื่อมใสเมื่อใจเลื่อมใสก็ย่อมปฏิสนธิในภูมิที่ดีสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ดีอยู่ที่เลวเกิดสถานที่ดีสถานที่เลวก็ตามสมควรแก่ความคิด ความคิดสกปรกก็ไปเกิดในที่ที่มันสกปรกความคิดที่หยาบช้าก็ไปเกิดในสถานที่ที่หยาบช้าความคิดที่ดีๆก็ย่อมให้ผลไปเกิดที่ดีพ้นสุดแท้แต่ความคิดความคิดที่เป็นบุญก็ให้ผลเป็นความสุขไปปฏิสถานในที่ที่สบายถ้าความคิดที่ชั่วช้าเลวร้ายก็ปฏิสถานที่ไม่ดี เสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีใจเลื่อมใสเลื่อมกระใสนี่ก็แปลว่าใจผ่องใสพระองค์พยากรณ์เนื้อความนี้ในสํานักพิสูจทั้งหลายว่าถ้าบุคคล น, นี้สิ้นชีวิตลงในเวลานี้คือในเวลาที่เขาผอ่องใสเลื่อมใสเนี่ยนะเขาพึงบังเกิดในสวรรค์เพราะว่าจิตของเขาเลื่อมใสเพราะใจของเขาประกอบด้วยศรัทธาแท้จริงสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สวรรค์เพราะเหตุที่จิต เลื่อมสายหรือเพราะจิตผ่องใสบุคคล น, นั้นซึ่งเป็นผู้มีจิตเลื่อมสายอย่างนั้นเป็นผู้มีปัญญาย่อมเข้าถึงสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกเหมือนบุคคลวางสิ่งของที่นำมาฉะนั้นอันสามารถปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีก็เพราะผลแห่งบุญอันนี้ก็ยกข้อความมาจากอิติวุติกะเนี่ยนะอีกคาถาหนึ่งพระองค์ตรัสว่านะก็บอกว่าอันนี้ใ น, น, นอะไร ดูก่อนเทพพัทิดานี้อยู่ในวิมานเนี่ยนะวิมานสังยศว่าดูก่อนเทพพัทถดาท่านลงเรือที่หุ้มด้วยทองยืนอยู่ลงสู่สะบกครณีเดบ ด, ดอกบัวด้วยมือผิวพรรณของท่านอนุภาพของท่านรัศมีของท่านเป็นเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรหมายว่าทุกอย่างนี่เป็นออกทองทองเป็นทองไปหมดเลยพวกสมบัติเหล่าใดเหล่านึ่งที่ท่านปรารถนาแล้วด้วยใจ พวคสมบัติเหล่านั้นก็เกิดเพราะท่านเพราะเหตุใดหมายก็ว่าท่านไปทําบุญอะไรมาเนี่ยนะจึงมีเรือที่หุ้มด้วยทองคําลงสระบกกรณีผิวของงามอนุภาพของงามรัศมีของามบริบูรณ์พูนสุขด้วยโภกคสมบัติดูก่อนเท พ, พธิดาท่านอันเราถามแล้วจงบอกนี้ผลแห่งกรรมอะไรมาอันนี้เทวดาอันเท้าส ก, กะถามแล้วก็มีใจยินดี เทวดาพระอินทร์นะ่สงสัยเออเธอไปทําบุญอะไรมาเนาะทําไมเธอช่างมีบุญจังเลยดูสิเรือที่ใช้ก็ทุ่มด้วยทองคําผิวพัรุ์ก็งดงามมีละมีอนุภาพมากมีรัศมีพวกสมบัติก็มั่งมีทําบุญอะไรมาไปทําอะไรมาอะไรกินอะไรมาจึงสวยใช่ไหมไม่ใช่หรอกทาบุญมาดีนี่ก็เหมือนกันไปทําบุญอะไรมาจึงได้เกิดที่ดีแบบนี้จึงได้มีมั่งมีแบบนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า เทวดาผู้ถูกถามปัญหาได้ตอบปัญหานั้นแก่เท้าสักกะว่าข้าพเจ้าผู้เดินทางไกลได้เห็นสถูปคือเห็นเจดีย์อันน่าพึงพอใจเป็นเจดีย์ที่น่าเคารพหน้ากราบหน้าไหว้ ย, ยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นครั้นเลื่อมใสแล้วก็บูชาพระกัสสปะพุทธเจ้าด้วยดอกบัวด้วยมือของตนเห็นเห็นพระเจดีย์ก็นำเอาดอกบัวไปบูชานี้ผลผลแห่งกรรมนั้น <c oughs> บุคคลผู้เคยทำบุญไว้ย่อมได้ผลเช่นนี้นันคนที่สั่งสมมาบุญมาดีถวายดอกบัวก่อแด่พระเจดีเนี่ยนะผลแห่งบุญอันนี้ก็ทำให้อะไรมีเรือที่หุ้มด้วยทองผิวพรรณก็งดงามอนุภาพรัศมีและพวกสมบัติเป็นต้นก็มั่งมีเรียกว่าทุกอย่างเกิดตามใจปรารถนาก็ผลแห่งการถวายดอกบวัว อีกเรื่องหนึ่งนะการที่พระพุทธเจ้าแสดงาฐานกถาเรื่องของทานศีลกถาเรื่องของศีลสักคาถาถ้อยคําที่พูดยกย่องการเกิดในสวรรค์บุญยกถาพูดถ้อยคํากล่าวถึงผลของอพูดถึงตัวบุญปุญญวิปากากถากล่าวถึงอ น, นิสงค์ของการทําบุญการกล่าวทานศีลสวรรค์บุญและผลของบุญคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดก็เรียกว่าวาสนาภากยะเหมือนกัน อย่างเหมือนคำที่บอกว่าแม้บุคคลสร้างสถูปดินร่วนถวายพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงกำลังสิบคนทั้งหลายทําบุญในพระสถูปนั้นแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ขนาดเจดีย์ที่ทาจากดินร่วนเนี่ยนะเป็นดินกองดินที่แต่ว่าเป็นกองเจดีย์ที่เขาอุทิศพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังสิบประการ ผลแห่งการทําบุญในสถูวเหล่านั้นก็ยังบันเทิงในสวรรค์เกิดในสุคติโลกสวรรค์ใครจะรู้ว่าเราทั้งหลายที่มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันเนี่ยนะก็ผลแห่งบุญที่บูชาพระเจดีย์เป็นต้นเอาไว้ขณะเดียวกันก็ยังมาต่อบุญใหม่บูชาพระเจดีย์เป็นเหตให้มีความสุขต่อไปอีกสูตรหนึ่งบอกว่าพวกท่านทั้งปวงมีผิวมีผิวพรรณเช่นกับสรีระของเทพบุตร มีสวดสรงงดงามใช้น้ำรดฝุ่นทําสถูปของพระกสปะพุทธเจ้าให้เจริญให้สดใสบอกว่าใครอยากมีผิวงามก็ชำระชะล้างปัดกวาดขัดถูเจดีให้งดงามก็เป็นเหตุให้ผิวงามปีที่แล้วโอ้ยฝนต ก, ก ไ, ปไปขัดไปล้างเจดีกันนะ่าดูเลยนะก็ะได้ผิวงามเอออามาไม่งามเพราะวันนั้นไม่ได้ช่วยขัดก็เลย ดูก่อนเทพพิดาผู้มีร่างกายงดงามสถูปนี้เป็นสถูปของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันยิ่งใหญ่สแสวงหาสติปัญญาสมัปัญญาอิทธิบาทอินทรีพระลมณ์ูจงองค์มรรคและอมตะนิพานที่ยิ่งใหญ่พระองค์นั้นทรงสมบูรณ์ด้วยกาลังสิบประการเรีวยกว่าทศพลยาน เท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เลื่อมใสแล้วทําบุญกุศลในสถูมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ที่ทําอย่างนี้ก็จะพ้นจากความแก่และความตายเรียกว่าพ้นจากชราและมรณะเนี่ยนะเพราะผลแห่งบุญเหล่านี้สามารถทําให้พ้นจากชราและมรณะพ้นจากความแก่และความตายไปได้มันบุญที่เกิดจากการบูชาพระเจดีย์จะไม่ใช่กราบดินนะกราบพระพุทธเจ้าและวลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้ลึกถึงอรหันตคุณเป็นต้น นันผลแห่งบุญที่บูชาพระเจดีย์ด้วยการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะไม่ว่าจะเป็นยกมือประนมมือการกราบการไหว้การปัดกวาดเช็ดถูเอาระเบียบดอกไม้ของหอมเอาเครื่องบูชาสักการะทั้งหลายไปบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงกำลังสิบประการผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสเจริญบุญกุศลเหล่านั้นนั่นเป็นทางแห่งการพ้นจากชราและมรณะ อีกโซดหนึ่งพระองค์บอกว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้ายกดอกบัวสี่ดอกและดอกไม้อื่นขึ้นบูชาสถูปของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นบุญอันยิ่งใหญ่โอฬานหนอลผลแห่งบุญนี้ยิ่งใหญ่จริงๆข้าพเจ้าบูชาสถูปของพระศาสดาแล้ว ตั้งแต่กลับนั้นเป็นต้นมาบัดนี้เป็นกลับที่สามสิบแล้วข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขติเลยและไม่เคยไปสู่นรกเลยเนี่ยก็บูชาพระเจดีแต่ที่สําคัญนะบอกว่าบูชาเจดีแล้วอย่าไปทําบาปก็แล้วกันหมายว่าเจดีก็บูชาแต่บาปอย่าไปทํานะถ้าอย่างนี้ท่านไม่ไปอบายแน่รับรองแต่ถ้าบุญก็ทําบาปก็เอาถ้าอย่างงี้ก็ตัวใครก็ตัวใครมันตอนทนบุญก็อนุโมทนาด้วยตอนทําบาปก็ทางใครก็ทางใครเหมางนันพังคำหมายคำว่า คือเมื่อบูชาพระเจดีแล้วก็ไม่หันหน้าบ่ายหน้าไปทำบาปทมอกุศลผลแห่งบุญกุศลก็ปกปักรักษาให้ชีวิตเป็นไปในสุขคติตลอด30กัปเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าได้บูชาสถูปของพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์ผู้ทรงลักษณะ32ประการพระองค์ผู้ทรงชนะหมูมาน โลกกนาตุ น, นนะคือพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกหมายคือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่สัตว์โลกทั้งหลายจะพึ่งพิงได้เอาพระองค์เป็นที่พึ่งก็ได้เพราะพระองค์นี้สามารถช่วยจะจัดแจงให้เราทั้งหลายประสบแต่ผลประโยชน์การจัดแจงให้เราพ้นจากทุกโทษพระองค์เมื่อเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์พระองค์นี้มีลักษณะอยู่32ในตัวของพระองค์ชนะมู่มารทั้งห้า ผู้ใดที่บูชาสถูป ข, ของพระพุทธเจ้าบูชาแล้วจะได้รับความผาสุกตลอดแสนกับด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นข้าพเจ้าไม่เคยไปสู่อบายภูมิถึงความเป็นผู้งดงามในหมู่เทพและได้ครองราชในหมู่มนุษย์ปัญญาจัดสุและจิตที่พ้นจากกิเลข้ขาพเจ้าตั้งไว้ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้สามารถฝึกศักด์โลกที่ยังไม่ได้ฝึก ให้หมดจดนั้นข้าพเจ้าได้แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วขจัดตัณหาที่เป็นดุจเทาวันได้แล้วปัญญาจักษุและจิตที่พ้นจากกิเลสข้าพเจ้าตั้งเอาไว้ในศาสนาของพระพุทธเจ้ามันการบรรลุมรรคผลเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจไว้ก่อนแล้ว ผู้ที่เขาบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้เนื่องจากเขาทำบุญแล้วตั้งความปรารถนามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเขาจึงได้ตรัสรู้ในพระพุทธเจ้าองค์นี้ถ้าเราทั้งหลายตั้งตั้งจิตเอาไว้แล้วเพื่อให้เกิดปัญญาจักสุเห็นอริยสัจจธรรมถ้าเคยตั้งเอาไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาพบพระพุทธเจ้าองค์นี้ถ้าไม่ละความพาเพียรพยายาม ปฏิบัติตามโอวาทและคำสอนก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้แต่ขณะเดียวกันถ้าไม่เคยตั้งแล้วมาตั้งในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เป็นวาสนาเป็นบุญเป็นบารมีเป็นอุปนิสัยให้เราทั้งหลายมีจิตหลุดพ้นจากกา ม, มาสวาะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะขจัดตัณหาที่เหมือนกับเถาวันเพราะตัณหามันเลื้อยแล้วก็ผันเอาไว้ใช่ไหมเพราะ อะไรนะเถาวัเนี่ยมันเลื้อยไปที่ต้นไม้ต้นใดมันก็พันรอบรอบต้นไม้อันนั้นเลื้อยแล้วก็พันเลื้อยเสร็จก็พันเลื้อยก็พันเลื้อยก็พันชั้นใดตันหาก็เหมือนกัารพอมันเห็นรูปสวยมันก็ไปพันในรูปฟังเสียงเพราะก็ไปพันไว้กับเสียงอ่ะนะพันไว้กับอารมณ์ในทวาวทั้งหพันจากพบไว้ในพบพันวัตตะไว้กับวัตตะพันด้วยผลแห่งบุญที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ฝึกสัตว์โลกผู้ที่ตัดตันหาได้ขาด บุญกุศลที่เกิดจากการบูชาพระพุทธเจ้าบุญอันนั้นเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ตัดฉันทะา ค, าคือตัณหาเหมือนกับเขาวันเหล่านั้นได้แล้วพันใครทั้งหลายก็อย่าดูถูกบุญนะอย่าดูถูกบุญกุศลคุณงามความดีพันอาศัยบุญกุศลคุณงามความดีอันนี้แล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อตัดตัณหาในที่สุดก็ทําได้ดังความปรารถนาอีกสูตรหนึ่งบอกว่าเขาได้ถวายทักษิณาทาน เพียงข้าวละมานทนานหนึ่งนะก็คือแปลว่าก๋วยข้าวที่ไม่ดีเท่าไหร่นะก็แต่ว่าเป็นข้าวเป็นที่บริโภคของมนุษย์ทั้งหลายถวายทานทนานเดียวเนี่ยนะเท่านั้นแก่พระประเจ ก, กับผู้ถเจ้าผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีตะปูตรึงใจผู้ไม่มีอาสวะผู้อยู่อย่างไม่มีละอองธุลีคือกิเลสมีใจไม่คล่องเกี่ยวกับสิ่งใด อันนี้คุณธรรมของพระปเจกใช่ไหมจิตหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่นหลุดพ้นจากการมาสวะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะหลุดพ้นจากตัณหามานะและทิฐิไม่มีตะปูตรึงใจคือความสงสัยไม่มีตะปูตรึงใจคือความกโกรธเป็นต้นท่านเหล่านั้นไม่มีอาสวะอยู่อย่างไม่มีละอองธุลีคือราคะโทสะและโมหะมีใจไม่ติดไม่คล้องกับสิ่งใดท่านมีใจพัดไปเหมือนกับลม ไม่ติดข้องกับทุกสิ่งฉันนั้นเขาเลื่อมใสในธรรมะคือปัจเจกโพธิญาณอันประเสริฐในปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็คือเลื่อมใสคุณธรรมที่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นบรร ล, ลุและข้าพเจ้าก็ตั้งจิตปรารถนาในธรรมคือปัจเจกโพิญาณนั้นเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงได้โคบผาสมาคมกับบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างไม่มีละองทุลีคือกิเลสนี้ และอย่าได้มุ่งพบไปและอย่าได้มุ่งไปในพบนไหนเลยก็ปรารถนาขอให้ได้บรรลุเช่นกับพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ไม่มีอะไรไม่มีความติดผู้ไม่มีความคล้องผู้ไม่มีฝุน่นธุลีละอองคือกิเลสไม่มีฝุ่นละธุลีละอองบาปอกุศลเลยและก็ไม่ปรารถนาพบใดๆไม่ได้ต้องการการมาพบรูปประพบและอารูปประพบมุ่งการตรัสรู้มุ่งการพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นนะนะวิบากแห่งกรรมที่ที่อะไรที่บูชาด้วยข้าวละมานแล้วก็บูชาพระประเจกเลื่อมสายอยากได้เป็นแบบนั้นนะนะผลแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าได้เกิดในหมู่สัตว์ผู้มีอายุยืนที่อุตรกุรุทวีปซึ่งเป็นที่ไปอันพิเศษไม่ต่ำต้อยผ่านครั้ง เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงถึงความเป็นผู้มีกายอันพิเศษในหมู่เทพผู้มีบริวารประดับและรูปไลด้วยดอกไม้อันวิจิตงดงามมันเห็นใครที่เขามีเครื่องประดับอันวิจิตงดงามเป็นต้นกลอนอนุโมทนาที่เขาทำบุญไว้เป็นอย่างดีเขาจึงได้อยู่ดีมีความสุขเป็นต้นใช่ไหมมันก็แสดงว่าเขาสั่งสมบุญไว้ดี เพราะวิบากแห่งกรรมนั้นข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าได้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นไม่มีตะปูตรึงใจและไม่มีอาสวะข้าพเจ้าได้สมาคมกับพระประเจคพระพุทธเจ้าเหล่านี้ผู้มีร่างกายเป็นชาติสุดท้ายผู้ล่วงแล้วซึ่งกุศลและอกุศลเพราะว่าท่านเป็นผู้ละเลยกรรม ละเลยทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมท่านเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจได้ตรัสรู้ทำเป็นที่ผลทุกพันการสมาคมกับบัณฑิตคือการสมาคมกับพระประเจกพรพุทธเจ้าเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้การครบกับบัณฑิตแม้แต่คบกันชั่วครู่ชั่วยามนิดๆหน่อยๆก็ยังเป็นปัจจัยให้ถึงความ คนทุกข์ซึ่งต่างจากคบกับคนผ่านใช่ไหมคนพานนี่รู้จักกันแค่นิดเดียวเนี่ยหลังจากนั้นก็เดือดร้อนตลอดไปแต่คบกับบัณฑิตเช่นพระประเจกกับพุทธเจ้าเป็นต้นพบกันแค่ครั้งเดียวถวายปจัจจัยสีแค่ครั้งเดียวปรารถนาในคุณธรรมเหล่านั้นปรารถนาที่จะเป็นเช่นกับท่านเหล่านั้นในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่ออกจากวัฏะได้พระตถาคตชินเจ้าได้ตรัสคํานี้ไว้ชัดเจน ผู้มีศีลปรารถนาะสิ่งใดย่อมสําเร็จสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดด้วยใจก็สําเร็จตามที่คิดนี้เป็นภพสุดท้ายของข้าพเจ้ามันถือว่าสรีระเป็นสรีระสุดท้ายคําของพระพุทธเจ้านี่ตรัสไว้ชัดเจนมากผู้ใดมีศีลอนนะสมบูรณ์ด้วยศีลปรารถนาะสิ่งใดก็ย่อมสําเร็จนันผู้ที่ ม, มีผู้ที่ประสบความสําเร็จนี่นะคือสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุสตะจารค้าปัญญาเกิด ปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็สําเร็จสมความปรารถนาะขอให้เป็นผู้ดํารงอยู่ในศีนตั้งมั่นอยู่ในอริยธรรมคือศีนั้นถ้าตั้งอยู่ในศีลปรารถนามนุษสมบัติสวรรค์นิสมบัติและนิพพานสมบัติก็ประสบความสําเร็จแต่ต้องเข้าใจให้ดีนะคําว่าศีนคําว่าศีนไม่ใช่วันนั่งนิ่งๆไม่ทําอะไรเลยเพราะศีลแบ่งเป็นจารีศีลกับวารีศีนเว้นจากความชั่ว ตั้งมั่นประพฤติอยู่ในคุณงามความดีตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลประพฤติวัดปฏิบัติทั้งหลายการที่เว้นจากความชั่วตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีถ้ามีคุณธรรมเช่นนี้ปรารถนาเช่นใดก็สมความปรารถนาเจรกวศีเนี่ยเป็นคุณเครื่องให้สําเร็จสมความปรารถนาอีกสูตรหนึ่งว่าในกัปที่31ถอยหลังจากกัปนี้ไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสิขี ผู้ชนะมารตั้งห้าปราศจากตัญหาผู้มีปัญญาหาที่สุดไม่ได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วแม้พระราชาผู้เป็นอนุชาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีและเลื่อมใสในพระธรรมขนาดว่าแสดงว่าดีจริงๆขนาดน้องชายยังเลื่อมใสเมื่อพระพุทธเจ้าปริณิพานแล้วพระราชานั้นได้ทรงสร้างสถูปอันกว้างใหญ่ประมาณสาขาวุฒโดยรอบ แด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดามนุษย์คนหนึ่งประคองดอกมะลิขึ้นถวายที่พระสถูปนั้นแล้วร่าเริงยินดีนำเครื่องบูชามาดอกไม้ดอกหนึ่งตกลงไปในมือตกจากมือของเขาเพราะแรงลมข้าพเจ้าก็เก็บดอกไม้ดอกนั้นขึ้นมาให้เขา คือถ้าเป็นที่สีร่างกานี้จะเห็นชัดเขาจะมีแต่ดอกนะเขาไม่มีช่อไม่มีราก็มีแต่ดอกก็ประคองมือเต็มด้วยดอกไม้เอาไปบูชานี่ลมมันพัดลงมาก็ตกไปดอกหนึ่งก็ตกมาก็ว่า เ, าเก็บให้เขามีใจเลื่อมสายอย่างยิ่งได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าเราให้ดอกไม้นี้แก่ท่านแหละข้าพเจ้ารับเอาดอกไม้นั้นแล้วละลึกถึงพระพุทธเจ้าเนืองเนืองแสดงว่าคนนี้ก็เก่งเหมือนกันนะ เขาสามารถได้ดอกไม้แล้วเขาก็น้อมเจริญพุทธานุสติได้ยกดอกไม้นั้นขึ้นบูชาที่พระสถูปนั้นตั้งแต่กับนั้นเป็นต้นมาบัดนี้เป็นกับที่สามสิบแล้วข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักทุกขติเลยไม่เคยไปสู่นรกเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระสถูปเนี่ยนะนีเป็นผลของการบูชาพระเจดีย์ด้วยการตามระลึกนึกถึงคณของพระพุทธเจ้ามันผู้ที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะผลแห่งบุญเหล่านั้นนี่ยิ่งใหญ่จริง อีกเรื่องหนึ่งเมืองชื่อว่ากระบินของพระเจ้าพรหมทัตเป็นเมืองที่มีการแบ่งเป็นสัดส่วนเป็นอย่างดีมีถนนใหญ่ผู้ขนหนาแน่นอุดมสมบูรณ์และกว้างขวางข้าพเจ้านั้นขนายขายขนมกุมมาสขนมกุ้มมาส ก, ก็คือขายขนมสดนะนะเช่นรอดช่องเป็นต้นพวกนี้เป็นขนมสดขายขนมสดแก่ชาวเมืองปัญจาละทั้งหลายในเมืองกบิลพัทอันอุดมนั้น ได้เห็นพระประเจกพระพุทธเจ้านามว่าอริ t h ะผู้มียศซึ่งยืนอยู่บนอากาศถ้าได้เห็นพระยืนอยู่บนอากาศได้ก็พิเศษนะนข้าพเจ้าร่าเริงยินดียังจิตให้เลื่อมใสนิมนต์พระประเจกพระพุทธเจ้านามว่าอริ tha ซึ่งเป็นนรชนผู้ประเสริฐ ด, ด้วยพัตตาหารประจําและถวายทายธรรมที่มีอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าหลังจากนั้นเดือน12สิ้นไปวันขึ้น15คห้าแสดงว่าวันเพนเดือน12ใช่ไหม ก็มาถึงข้าพเจ้าได้นำผ้าใหม่คู่หนึ่งน้อมเข้าไปถวายพระประเจกพระพุทธเจ้านามว่าอริทธะพระมุนีซึ่งเป็นนรชนผู้ประเสริฐอนุเคราะห์ผู้อื่นมีความกรุณาขจัดตัณหาหมดสิ้นทราบจิตอันเลื่อมใสของข้าพเจ้าก็ได้รับผ้าผืนนั้น ข้าพเจ้ากระทำกรรมดีที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ น, นั้นแล้วท่องเที่ยวเกิดในหมู่เทวดาและมนุษย์แล้วจุติจากเทวโลกนั้นข้าพเจ้าเกิดในตระกูลอันมั่งคั่งเป็นบุตรของเดียวของเศรษฐีในเมืองพารณาณสีเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของพ่อแม่พ่อแม่รักลูกมากกว่าชีวิตของตนหลังจากนั้นข้าพเจ้าถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาเทวดาก็มาเตือนให้ทำกุศลจึงลงจากปราศาสเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระโคโดมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าพระมุนีเจ้าทรงแสดงอริยสัจสี่คือแสดงทุกทุกขสมุทัยอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธอันเป็นที่ก้าล่วงทุกขและอริยมรรคมีองค์แปดอันเป็นเหตุให้ถึงความสงบระงรับทุกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าโยธรรมเทเสติเนี่ยนะหรือว่าโยธรรมเทเสสิก็คือพระพุทธเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมคืออริยสัจนั่นเอง ข้าพเจ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนาคือในอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนได้แทงตลอดสมณธรรมคือโสดาปฏิพลสกาธาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตะผลเพราะคำว่าสมณธรรมหมายถึงอริยผลทั้งหลายอาสะวะทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอารมณ์ภายในและภายนอกอาสะวะเครื่องหมักดองที่เคยมีอยู่แก่ข้าพเจ้า บัตรนี้อาสะวะเหล่านั้นได้หมดศูนย์สิ้นไปไม่เกิดอีกคือเราว่าไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะของท่านอีกแล้วทุกได้ถูกกระทําให้สิ้นสุดแล้วแม้ว่าตัดกองทุกแล้วนะโรคเลิกลามต่อไปแล้วเนะี่ยเขรียกว่าตัดสาเหตุไม่ให้มันลามต่อไปได้แล้วกองทุกนี้เป็นกองทุกสุดท้ายขนาดนั้น แบกกองทุกอันนี้ถือว่าแบกกองสุดท้ายแล้วใช่ไหมแบกรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันสุดท้ายและบัดนี้สงสารคือการเวียนตายเวียนเกิดการมีในภพใหม่จะไม่มีอีกต่อไป